ในทวีปแอฟริกานะมันมีนกชนิดหนึ่งนะชื่อว่านกแพร่งพึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันเป็นนกที่ชอบกินพึ่งนะแล้วชอบกินขี้พึ่งด้วยแต่ว่าพึ่งนี่เป็นอาหารโปรดของนกชนิดนี้ปกติมันก็มันก็กินพึ่งที่บินว่อนนะบินโฉบนะไปหาน้ําหวานตามดอกไมนะ้แต่ว่ามันก็รู้ว่ามีที่หนึ่งนะที่มีพึ่งชุมมากเลย นั่นก็คือรังพึ่งน ะ, ะพึ่งนี่รังพึ่งนี่โอ้มีพึ่งชุมเลยนะอาหารเยอะแยะเลยกี่พึ่งก็มากแต่ว่ามันเนี่ยไม่สามารถจะไปบุกรังพึ่งได้ด้วยตัวเองแล้วทำไงนะเพอร์มันก็รู้นะว่ามันมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่ชอบกินน้ำพึ่งแล้วก็ตัวอ่อนของพึ่งนะมันชื่อว่าราเตลนะตัวมันก็ขนาดใหญ่กว่าแมวนะใหญ่กว่าแมวนะ อยู่ในวงพังพรนะมันมีหนังหนาแล้วก็หนังเหนียวล่อขนหนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งต่อยอยังไงเนี่ยมันไม่ไม่เจ็บเลยไม่สะทกสถานคราวนี้เนี่ยไอ้นกพานพึ่งเนี่ยก็ต้องถ้าจะไปกินพึ่งถึงรังของมันเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพายตัวราเต๋อนี่แหละนะ แต่ว่ามันไม่ได้พึ่งพาเปล่าๆนะมันก็ลงหุ้นเลยนะก็คือมันสามารถที่จะาหารังพึ่งได้ง่ายกว่าราเตล์นะราเตลนี่มันมันเดินอยู่บนพื้นนะแต่ว่าพึ่งนี่แต่ว่านกนี่บินได้นะมันก็รู้ว่าตรงไหนเนี่ยมีรังพึ่งเวลานกเนี่ย เห็นรังพึ่งเนี่ยนะมันก็จะบินไปตามหาตัวราเตลแล้วก็ส่งเสียงร้องไอ้ตัวราเตลมันก็รู้ภาษานกนะพอมันเห็นนกพานพึ่งเนี่ยบินแล้วก็ส่งเสียงอยู่ใกล้นี่มันก็รู้แล้วว่ามีรังพึ่งอยู่นะไม่ไกลมันก็จะเดินตามเดินตามนกพานพึ่งไป พอไปถึงรังนะมันก็เข้าไปลุยรังพึ่งเลยมันปีนต้นไม้ได้นะมันมีเล็บที่ที่คมแล้วก็ยาวนะปีนต้นไม้ได้มันก็เข้าไปบุกรุกรังพึ่งพึ่งก็ทําอะไรมันไม่ได้มันก็ได้กินน้ําพึ่งแล้วก็ตัวอ่างของพึ่งส่วนนกนี่ก็ได้กินตัวพึ่งนะ แล้วก็ขี้พึ่งนะเรียกว่าสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่ก็เรียกว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยกันต่างฝ่ายต่างก็ช่วยเหลือกันขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้คันี้ในบางแห่งเนี่ยมันไม่มีตัวราเตลนะไอ้นกพานพึ่งนี่มันจะทำยังไงนะมันก็มีสัตว์บางชนิดนะที่จะร่วมมือ กัมันได้นะก็คือลิงนะลิงบาบูนนะลิงบาบูนเนี่ยนะมันก็รู้ภาษานกนะเวลานกชนิดนี้บินส่งเสียงร้องเนี่ยมันก็รู้แล้วว่ามีรังพึ่งอยู่นะแถวแถวนี้แหละมันก็เดินตามหรือมงก็มันก็ปีนนะป่ายปีนไปตามตามทิศทางของนกนะแล้วก็พอถึงรังพึ่งมันก็ลุยเลยนะรังพึ่ง มันก็ได้กินน้ำพึ่งส่วนพึ่งส่วนนกก็ได้กินพึ่งนะแล้วก็ขี้พึ่งนะแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยไอ้ตัวราเตลก็ไม่ค่อยมีลิงก็หายากแล้วมันจะทำไงนะมันก็ลวกคนเนี่ยนะชอบตีรังพึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลานกชนิดมันเจอผึ่งน ะ, ะมันก็จะไปตามหาคนแล้วพอเจอคนอยู่แถวๆนั้นมันก็จะบินวน่อนบินวนแล้วก็ส่งเสียงร้องทีแรกคนนี่อาจจะไม่รู้นะว่าไอ้นกนี้มันต้องการอะไรแต่ว่าพอเห็นนกมันบินอยู่ ใ, ใกล้ๆไม่ยอมไปสักทีแล้วก็ส่งเสียงร้องคนก็พอจะเดาออกว่าสงสัยนกเรียกให้ ให้ตามมันไปคนก็เดินตามมันไปแต่บางทีคนก็เดินช้านะเพราะว่าลุยป่านี่มันไม่ไม่รวดเร็ ว, เ, รวเหมือนกับนกที่บินอยู่ในอากาศบางทีนกมันก็รอรอคนพอคนเดินมาใกล้ๆมันก็บินต่อไปแล้วก็พาคนไปถึงรังพึ่งนะคนก็ตีรังพึ่งนะ ได้น้ำพึ่งไปแต่ก็แบ่งนะแบ่งของดีให้กับนกชนิดนี้ด้วยนะเช่นรังพึ่งหรือขี้พึ่งนะแล้วก็ส่วนตัวพึ่งนี้นกมันก็มีกินเต็มที่เลยก็เป็นที่รู้กันนะในหมู่คนแถวแอฟริกานี่ว่าถ้ามีนกชนิดนี้เรียกมาบินเรียกนี่ตามไปเถอะเดี๋ยวเจอแนะ่ เลยมีคนที่มีอาชีพเนี่ยอาชีพหารังพึ่งนะแล้วก็คอยสอดสายตามหานกผ่านพึ่งเนี่ยเรียกว่าร่วมมือกันร่วมมือกันทำมาหากินพอสำเร็จแล้วก็แบ่งกันนะก็สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่บางทีมีคนนะมีคนบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวนะอยากได้มาก พอได้รังพึ่งแล้วเนี่ยไม่แบ่งให้นะไม่แบ่งให้นกเอารังพึ่งไปทั้งรังเลยเพราะว่าจะได้ทั้งน้ำหวานตัวอ่อนแล้วก็ขี้พึ่งด้วยนะไม่แบ่งให้นกเลยนกอาจจะได้ตัวพึ่งที่มันบินว่อนแต่ว่าไอ้ของดีที่มากกว่า น, นั้นเนี่ยไม่ได้นะเาคนเอาไป นกมันก็รู้นะว่าไอคนนี้เนี่ยนะเห็นแก่ตัวนะเอาแต่ได้นะทีหลังเนี่ยมันเจอคนแบบนี้เนี่ยหรือเจอคนคนเนี่ยนกมันไม่เรียกแล้วนะมันไม่เรียกแล้วเพราะมันรู้ว่าไอคนนี้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวนกมันก็มีจิตมีใจมีความรู้สึกน ะ, ะมันหวังว่าคนนี้จะอ่า แบ่งปันให้ให้มันบ้างเพราะว่ามันก็ลงทุนโงแรมเหมือนกันอุตสาไปหาลังพึ่งมาแล้วอุตสามาเรียกให้คนเดินตามไปแต่พอคนได้แล้วนี่ได้ลังพึ่งแล้วก็เก็บหมดเลยไม่แบ่งให้ล่มก็รู้สึกว่าคนแบบนี้นี่ไม่น่าคบนะถึงเวลาเจอลังพึ่งนี่มันก็ไม่ไปไม่ไปเรียกคนอย่างนี้แล้วละ่ะ มันก็ไปหาคนใหม่นะส่วนคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็ได้ครั้งเดียวนะได้ครั้งเดียวแต่ว่าต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่านกไม่เรียกนะก็เรียกอดไปนะเ็นแต่ว่าจะไปหาหลังพึ่งด้วยตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่รู้จักแบ่งปันมันก็ได้แค่ครั้งเดียวหรือครั้งสองครั้ง แต่ว่าต่อไปก็ไม่ได้อีกอธรรมชาติมก็สอนคนนะว่ามันต้องรู้จักแบ่งปันโดยเพราะถ้าพึ่งพาอาศัยใครเนะี่ยไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะพึ่งพาอาศัยสัตว์พึ่งพาอาศายัาาศายนกมันก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้เขาบ้างหรือว่าแบ่งปันให้มันเท่าเทียมกันนะไปคิดว่ามันเป็นนกเป็นสัตว์เป็นเดราาัจฉานไม่รู้เรื่อง ไม่มีพจนจิตพจน์ใจนี้ไม่ได้นะเพราะธรรมชาติเนี่ยมันต้องอาศัยการพึ่งพาอาศัยกัน <Yeah. S 1> ขนาดพวกราเตลพวกลิงนี่มันก็ยังแบ่งให้ให้นกเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าคนนี่ถ้าหากว่าเห็นแก่ตัวมากเนี่ยมันก็ได้ครั้งเดียวหรือได้แค่สองครั้งหลังจากนั้นก็อดเพนั้นมันต้องธรรมชาติมันสอนให้รู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว ใจเขาใจเราบ้ง